นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ตอนที่83ครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของความกล้าที่มาพูดกับความกลัวเราพูดถึงอุปกรณ์ที่คุณจะสามารถสู้กับความกลัวได้เราก็ต้องพูดถึงบุคคลที่ต้องการบุญก็ยังได้บุญล้วก็ตอบคาถามเรื่องฐานนิดหน่อยนี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์อธตมาพระไพบุญก็มากับคุณหมอรัฐพงศ์ครับ กรับน้ำสการครับกับผมนัฐพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับนี้อีพิซอดที่8 13สิบแบแล้วเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของความกลัวก็มีท่านผู้ฟังได้เขียนคอมเมนต์มาเหมือนกันเนาะมันยังมีเรื่องเพิ่มเติมอีกนะคือจะมาก็บางทีเราฟังที่เราพูดไปเนี่ยก็มีประเด็นต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยความกลัวนี้ก็มาคู่กับความกล้า ความกลัวก็มาคู่กับความกล้าความกล้าเนี่ยพระเจ้าใช้คําว่าเวสารัชยานเวสารัชยานคือความกล้าเวสารัชยานใช่เวสารัชยานครับอืเวสารัชยานคือความกล้าที่พระเจ้ามีเนี่ยทําให้พระองค์เนี่ยสามารถติัญญาตําแหน่งจอมโลกน้ําบรนลือสีหน้าประกาศพรมาจักรให้เป็นไปได้ด้วยความกล้าสี่อย่างนี้นันี้มันปรับใช้กับเราได้ด้วยคือหมายความว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าบอกนี้บอกว่า ไม่เห็นเลยว่าใครๆในโลกนี่ที่จะมาบอกว่าเฮ้ยคุณปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะแต่จริงๆไม่ได้เป็นครับก็เราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะเราจึงไม่ไม่มีปัญหาเลยเราจึงมีความกล้าคือสมมุติว่าอย่างหมอระพงเนี้ยพูดได้เต็มปากเลยว่าเราเป็นทันตแพทย์ครับทำไมเป็นอย่างนั้นเออก็เราเป็นจริงๆก็ใช่ไหมครั บ, รบเราทําหน้าที่ในการของทันตแพทย์ใช่ ก็เราเป็นธรรมดาจริงๆเรามีความรู้จริงๆเพราะนั้นเราจึงมีความกล้าในคำที่จะอในการที่จะรักษาคนเรื่องเกี่ยวกับฟันอย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกันเราเวลาเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือข้อที่หนึ่งเวลาเรากลัวอะไรเนี่ยถ้าคุณรู้เรื่องนั้นจริงๆเช่นกลัวการพูดในที่ชุมชนแต่คุณรู้เทคนิคการพูดแล้วคุณจะต้องกลัวอะไรแสดงว่าความกลัวที่เรามีเนี่ยมันเป็นกิเลสเราเอาออกซะ อมันมันเป็นเครื่องกวนเฉยๆเราต้องเอาเอาออกซะมันไม่ใช่อะไรคือบางคนเนี่ยรู้อย่างดีสุดๆเลยแต่ว่าทําไม่ได้อะคือคือรุนแต่แต่ดํารายอย่างดีอย่างดีเลยรู้ทฤษฎีใช่แต่พอเอาเข้าจริงใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆคุณไม่มีเหตุผลของความกลัวนั้นความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกเป็นกิเลสเราต้องเอามันออกแันนี่คือข้อที่หนึ่งก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นจริงไม่ต้องกลัวไข่ในลีบชาของเรา ข้อที่สองพระพุทธเจ้าบอกว่าที่มีความกล้านี่นะก็เพราะว่าไม่มีใครที่จะมาทักท้วงได้ว่าไอ้พระพุทธเจ้านี่ยังสมณโคดมนี่ยังละอาสวะทั้งหมดนี่ไม่ได้เนะยังไม่เป็นพระอาหารหันต์เราก็เราเป็นพระอาหารหันต์แล้วแลนะเรารู้<ม>เรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆนะเราจรึงเราจรึงปฏิญญาตตำแหน่งจอมโลกมีความกล้าอยู่ได้ คือจริงๆก็ไม่ไม่มีใครทักท้วงเลยใช่ไหมครับหรือวา่าดูแคลนสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นมีมีอรหันต์กสัมมาหรือเปล่ามีมก็พระพุทธเจ้าเนี่ยทําการหลีกเล่นเนี่ยจนบ่อยนับบ่อยจนกระทั่งผู้ปริพาชคเนี่ยมาโจทย์ว่าสงสยัยสมณโคโดมหนีมไม่ใช่สัมมาสมุทัเจ้าจริงยังต้องไปหลีกเล่นอยู่เรื่อยๆอโอซึ่ ง, ซ, งซึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่าอาชาวะที่จะทําให้เราต้องไปเกิดอีกไม่มีแล้วเราเป็นสัมมาสมุทัยเจ้า แต่ที่ทำเนี่ยเพื่อหาความสุขในภายในที่ทำหนี่ก็เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังอ๋อเรื่องการรีเกรนนี่นะครับใช่เพราะฉะนั้นไ mm hmm. อ้การอาัศาวะของพระเจ้าเนี่ยไม่มีนั่นก็คื อ, เ, อเรื่องของธรรมะหนึ่งเรื่องของตัวพระองค์องเองหนึ่งข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้ที่จะทําให้เป็นสามาสมบุทธะความแตกตางในเรื่องของธรรมะข้อที่สองก็คืออัศาวะที่ที่มีอยู่ในพระองค์องเองเนี่ยไม่มีแล้ว ถ้า<ม>จะพูดก็พูดเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยทําได้ด้วยแล้วตัวเราก็มีคุณสมบัติในการที่จะสอนด้วยข้อที่หนึ่งเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะสอนข้อที่2เนี่ยมีคุณสมบัติในการที่ตัวเองก็ทําได้ด้วยค<อ>ือถ้าถ้าพูดถึงปัจเจกาพระเาอย่างเนี้ยพระพระเจบร้าข้อแรกจะไม่มีเพราะ<ม>จะไม่ได้มีความสามารถในการสอนข้อที่สามพระเจ้าบอกว่าที่ทําให้ตัวเองตัวพระองค์มีความกล้าเนี่ย ก็เพราะว่าไอ้อักกุศลรมอะไรเนี่ยที่ที่ทำให้เป็นอันตรายเนี่ยไม่ได้มีแล้วเราไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นอันตรายในเรื่องที่ทําให้เรามีความขาดกลัวได้เราจึง<อ>มีความกล้านะคืออักกุศลธรรมใดใที่จะทำให้เป็นผู้ขาดกลัวเนี่ยไม่มีจึงเป็นผู้มีความกล้าครับแล้วต่างจากข้อ2องอยังไงนะครับข้อสองนี่คือละอาสวะได้คือตัวเอง <ừ> ทําได้จริงๆครับอ่าแล้วข้อที่3นี่ก็คือว่าอักกุศลธรรม อกุสลธรรมไม่มีครับข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ผู้รู้แจพูดถึงการแสดงธรรมนะด้วยว่าแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างไรประโยชน์นั้นไม่เป็นทางสิ้นทุกโดยชอบแนะสดงว่าที่คุณพูดอยู่พูดว่าดีดีจริงจเนี่ยมันไม่ดีจริงแต่ของผูรู้แจไม่เป็นฉะนั้นจึงมีความกลา้าที่พูดอยู่ว่าดีจริงกั็ดีจริงครับอนะแล้วข้อที่สามนี่ก็พูดถึงว่าอที่พูดอยู่ว่าไม่ดีเนี่ยก็คือไม่ดีจริง พูดตรงๆเลยในองค์คามถูกต้องพูดเขาพูดของจริงตัวเองก็ทําได้รู้ก็รู้จริงตัวเองก็ทําได้พูดที่พูดก็พูดของจริงทั้งที่ว่าไม่ดีก็ไม well ่ดีจร no ิงๆพูดที่ดีก็ดีจริงๆก็สี่ข้อพอดีครับเพราะฉะนั้นจึงทําให้เป็นคนกล้าในการที่จะลือศรีอนาจเป็นคนกล้าในการที่จะทําอะไรในการที่จะประกาศปรมะมุขอันนี้คือของบพระเจาคตรงนี้เขาเรียกว่าเบสารัชยานสี ทีนี้มาเปรียบเทียบกับตัวเราตัวเราถ้าเรากลัวสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่นะเราผมเราจะครับเราก็คิดว่าเราทําความดีมาพอสมควรแล้วเราละนิวรณนแล้วเราไม่มีกายวาจาใจเป็นทุจริตแล้วแต่ใยังกลัวอยู่แสดงว่าคุณยังมีอาสวาอยู่หรือว่าคุณยังไม่รู้เรื่องนั้นจริงๆครับแต่ถ้าเรายังไม่รู้เรื่องนั้นจริงจเราต้องกลัวแน่นอนอย่เรายังกลัวอยู่ทั้งที่เราทําความดีแล้ว นะหรือว่าเรามไม่รู้แงม่มุม ท, ทั้งที่เป็นบวกที่เป็นลบของมันเราอาจจะยังกลัวอยู่ว่าเอ๊ข้อลบคืออะไรบวกคืออะไรเรายังไม่รู้นะครับข้อที่3ข้อถัดมาก็คือว่าเอ๊เราทําได้จริงๆหรือยังนะเรารู้มันทุกแ ง, งม่มุมหรือยังเพราะงั้นการที่เราจะทําให้เรามีความกล้าตรงนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือต้องเผชิญกับความกลัวอย่างที่เราสรุปไ ป, ไปสรุปไปตามที่แล้วใช่ไหมใช่ใชครับให้คุณเผชิญหน้ากับความกลัวนะเพื่อที่คุณจะได้ขจัดความกลัวออกไป เตรงนี้ก็คือมีความกล้านเองเราจะมีความกล้าได้ที่สรุปพูดกันเป็นภาษาคารวาสที่จะเข้าใจก็คือว่าข้อที่หนึ่งคุณต้องเข้าใจเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้ข้อที่หนึ่งคุณต้องเข้าใจเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้ข้อที่สองคุณเข้าใจแล้วคุณต้องทําได้ด้วยอืมะครับข้อที่สามคุณต้องรู้ทั้งแง่มุมที่เป็นลบข้อที่สี่คุณต้องรู้ทั้งแง่มุมที่เป็นบวกของสิ่งสิ่งนั้นที่คุณกลัวอยู่ครับอทำให้คุณจะไม่มีความกลัวจะเป็นผู้ที่มีความกล้า ในสิ่งสิ่งนั้นไดอือม๋ออันนี้จริงๆเลยครับเอามาใช้ในทางโลกได้ใช่อันนี้ก็คิดว่าแอปพลายได้เลยเหมือนกับครั้งหนึ่งเพื่อนเพื่อนสนิทเนี่ยจะต้องขึ้นในพูดในที่ประชุมประชุมใหญ่ของธนแพทยสมาคมคนฟังประมาณสองพันคนนะครับทีนี้เขาก็เริ่มแบบก่อนขึ้นเวทีเขาเริ่มตัวเย็นเย็นครับประมาประมาใช่ผมก็เออผมอกใจเย็นใเย็นหายใจลึก ทีนี้มีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงซึ่งเป็นปรมาจารย์เลยเขาเดินมาแล้วเหมือนเขาเห็นเขาบอกเพื่อนผมว่าหมอไม่ต้องกลัวให้คิดว่าหมอรู้เรื่องนี้ดีที่สุดกว่าคนสองพันคนในนี้แล้วหมอจะไม่กลัวเขาก็ครับแล้วก็เอออาการดีขึ้นแล้วก็ขึ้นโพเดียมเปทีขึ้นอย่างมั่นใจก็คือตรงกันเลยครับต้องขอพิ<ร>พชาสอ น, สอนใช่ครับคือถ้าเรารู้เรื่องนั้นอย่างดีสอน เ, เราก็ทาได้ด้วย ค, ค, คือเราไม่ได้อ่านหนังสือมาพูดแต่เราทำได้จริงๆแล้วก็ข้อที่สามคือคุณมองเห็นแง่ที่ไม่ดีของมันแง่ลบแง่ไม่ดีข้อเสียข้อควรระวังของมันข้อที่ข้อที่สี่คุณมองเห็นตั้งแง่บวกข้อดีข้อที่เป็นประโยชน์ของเขาทั้งหมดก็จะชื่อว่าไม่มีความกลัวแล้ะจะมีความกล้าในสิ่งนั้นได้จะจ ะ, จะมาถึงตรงนี้ได้หมอรัตพงคุณต้องเผชิญหน้ายังไงก็ตาม อ๋อปชน้ากับความกลัวใช่กับกลัวเลยคือคือเราจะเรียกว่าผชญหน้าความกลัวก็ไม่ใช่นะเราเราศึกษาสิ่งนั้นให้ดีอ่ะถ้าเราศึกษาสิ่งนั้นให้ดีความกลัวมันหายไปอัตโนมัติเลยอืจริงมันคือมันหายไปลเราไม่ได้ว่าจะต้องไปฝืนกลัวนะคือเราศึกษาสิ่งนั้นให้ดีอย่างพระพุทธเจ้าเองก็ศึกษาจิตของพระองค์ให้ดีความกลัวก็หายไปเองอย่างนี้นะครับทีนี้เครื่องมือในการที่จะเผชิญหน้าความกลัว ที่เราบอกประชาชนวความกลัวประชาชนความกลัวแหมลแล้วก็กลัวๆให้ไปสู้มันก็กลัวสิจะทํำยังไง ใ, ให้มีเครื่องมืออเครื่องมือเป็นยังไงครับท่านเครื่องมื อ, มอมก็คือนี่<บ>แหละศีลสมาธิปัญญาอ๋อศีล ส, สมาธิปัญญา ใ, <จ S 2> ใช่ศีล ส, สมาธิปัญญาที่พูดอย่างกว้างๆเลยนะพูดอย่างกว้างๆเลยศีลสมาธิปัญญาอย่างกรณีของเพื่อนหมอรัตพงที่ต้องไปพูดกับที่ประชุมทันตแพทย์อย่างเงี้ยความที่เขารู้เรื่องนั้นอย่างดีเนี่ยนะเป็น เออเป็นปัญญาเออเป็นทั้งสมาธิและปัญญาของเขานะคีคือหมายความว่าปัญญาสมาธิเนี่ยพระเจ้าพูดถึงอธิจิตตสิกขาอธิจิตตสิกขาคือการเรื่องของจิตอันยิง่งนะอธิปัญญาสิกขาคือปัญญาอันยิง่งเนะ่เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปศึกษาเรื่องนี้คุณต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะการที่ ค, คุณมีความรู้เรื่องนั้นมาแล้วกุลบุณีก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งครับอ ปัญญาตรงนี้ก็คือเป็นปัญญาขเธอประกรันหนึ่งก็เป็นอธิปัญญาที่ยิ่งยินไปเพราะฉะนั้นในตัวบุคคลนั้นก็มีมีสมาธิมีอมีปัญญาในเรื่องที่เขาเรียนรู้อยู่ตรงนั้นนะะอที่เขาไปทำตรงนั้นได้ก็เพราะว่าเขามีศีลเพราะะฉนั้นศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะเป็นตัวที่เป็นเครื่องมือเครื่องมืออ่าให้เราอต่อสู้เผชิญหน้ากับความกลรธได้เดินไปได้ ถ้าก็ต้องพูดอย่างนี้กับว่าถ้าเราเผชิญหน้าความกลัวเนี่ยคือคนกลัวนี่มันกลัวจริงๆนะใช่ครับโอ้โหกลัวจริงๆสารพัดน้ำหูน้ำตาไหลปัสสาวะราดกุจจระแตกโอ้โหแบบก็เคยเห็นมาแล้วนะกลัวนี่กลัวจริงๆกลัวจนตัวสั่นกลัวจนหัวหดคือก็ได้พูดถึงความกลัวเนี่ยนะวัลย์ทองเคยมีนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาเนี่ยเขาพูดถึงว่าเวลากลัวแล้วเนี่ยนะครับอมันจะ มันจะมีสามรีสปอนมันจะมีสามการตอบสนองออกมาคือคือกลัวแล้วหนีบางคนกลัวแล้วหนีครับแต่บางคนกลัวแล้วสู้คือแสดงออกด้วยความไม่ชอบครับแตด่าว่าไม่ไม่ชอบแล้วก็บางคนอีกกลัวแล้วเฉยเฉยกลัวแล้วคือไม่ใช่เฉยๆคือแบบนิ่งอยู่แบบตัวสันยืนนิ่งอย่างเงี้ยนะหนีไม่ไหวอย่างงหนังผีใครดูหนังผีเนี่ยนะใช่ครับใครดูหนังผีเนี่ยพอปอบโผล่มาปุ๊บเนี่ย มันจะมีการตอบสนองอย่างน้อยสาประเภทแน่ น, นอนคือรวมๆกันแล้วจะได้สาประเภทแยกกันออกมาได้อย่างนี้คือคนหนึ่งก็จะวิ่งหนีสุดโกงสุดตู่เลยนี่คือหนีในอีกคนหนึ่งก็ยืนนิ่งจังงังทำอะไรไม่ถูกนี่คือพวกยืนนิ่งในอีกพวกหนึ่งคือหาวุ้มาสู้กับมันเตรียมการสู้นะวางกับดักอะไรพวกนี้แตคือมีอยู่สามประเภทรวมๆกันได้อย่างนี้นี่คือความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปทีนี้อันนี้คืออะไรคืออย่างที่รเราเราเราพูดไปเมื่อคราวที่แล้วว่ามันเป็นชั้นเป็นชั้นหุ้มหุ้มกันอยู่ อ๋อ ใ, ใช่ครับไอสิ่งเหล่านี้สามอย่างนี้มันหุ้มความกลัวอยู่ทำให้เราไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรอย่างคนที่แสงอ้ยฉันไม่ชอบหรอกอย่ามาทางี้นะยุ่งปวดหัวไล่ดา่าว่าอันเนี้ยเป็นความไม่พอใจที่หุ้มความกลัวของคุณอยู่อ๋อครับบางคนหนีเลี่ยงพูดจาลอยลายเบี่ยงไปพูดเรื่องอื่นไม่พยายามจะอไม่พยายามจะพูดเรื่องนี้เบี่ยงประเด็นอันนี้คือคุณหนี ห, ห, รหรือว่าหนีไปเลยเดินหนีไปเลย หรือ<ม>ว่าทำจ้อยๆเดินหนีไปอันนี้คือคุณคุณหนีครนะหรือข้อที่สามก็คือว่ายืนนิ่งปากเขียวอยู่นะก็คือว่าถูกเขาด่าว่าก็กลัวตัวสันอยู่ตรงนั้นอันนี้เราก็เคยเห็นกันอยู่นะไอ้ตรงเนี้ย ม, มันมันปกคลุมความกลัวอยู่เราลอกออกลอกออกนะมันหลายๆชั้นนี่<ม>คุณต้องลอกบางทีลอกความกโกรธออกตั้งหลายชั้นกว่าจะเจอความกลัวอพอเจอ ค, ความกลัวแล้วเราลอกออกลอกออก กลัวนี่ลอกออกกลัวนี่ลอกออกเราจะเจอความรักอออืที่มันใช<ฟ>่มันจะแฝงมามันจะแฝงมาออืมันจะแฝงมาอืความรักอืครับเพราะฉะนั้ น, นในในในตรงที่ว่ า, เ, าเรากลัวเนี่ยเราก็ให้มีความกล้าสีอย่างอย่างที่พี่เจ้าบอกนะคือให้รู้เรื่องนี้จรงิงๆนะเรามีเครื่องมือในการที่จะรู้เรื่องนั้นให้จรงิงๆคือเรื่องศีลสมาธิปัญญา พอเรารู้เรื่องนั้นอย่างจริงๆจางตา ม, ตา ม, ตามความกล้าสีอย่างนี้แล้วเนี่ยความกลัวมันหายไปอัตโนมัติแต่ถ้าอย่างกรณีที่อาจะมาพูดถึงว่าไอ้ที่มันเป็นชั้นๆเนี่ยนะเหมือนขนมชั้นซ้อน ๆ, ๆกันอยู่เนี่ยความความหนีหรือว่าการสู้สู้แบบที่นี้เรียกว่าโกรธอย่างเงี้ยที่มันมันปิดบังความกลัวอยู่ตรงนี้นั่นคือแสดงถึงความที่เราไม่มีศีลการที่เราไม่มีสมาธิ พราะคุณไม่มีศีลคุณไม่มีสมาธิเนี่ยคุณตั้งจิตในการที่จะรู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็เอาความให้เห็นความกลัวเนี่ยคุณทําไม่ได้ออเพราะฉะนั้นสามรีสปอนส์ที่บอกว่าบางคนก็หนีบางคนก็สู้บางคนก็นิ่งๆนิ่งชนิดที่เรียกว่ากลัวอย่างเงี้ยสามอย่างนี้ไม่ได้ทําให้คุณจะจะคลายความกลัวได้เลยอ๋อครับ แ, แต่คนที่นิ่งอยู่ด้วยความอดทนก็ตามนิ่งอยู่ด้วยปัญญาก็ตามเนี่ยนี่แหละคือ คือจริงๆอ๋อคืออันนี้คือเรียกว่าสู้สู้ภายในอย่างนี้ใช่ใช่ ค, <ม>คือคือเดินตามมัคไงครับถ้าคุณเดิน<ม>ตามมัคศีนสมาธิปัญญาปุ๊บคุณจะ อ, อมีความกล้าทําให้เกิดความกล้าเกิดขึ้นพอความกล้าเกิดขึ้นความกลัวก็หายไปได้โดยอัตโนมัตินั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าการเดินตามศีนสมาธิปัญญาเนี่ยมันไปแก้ความรักข้างล่างนู้นเลย<ม>ครับ ตอนนี้ก็คืออิงแก่นกนของมันเลยใช่<า>นี่มันพูดถึงสื่อทางเสียงมันจะมีข้อจํากัดในการวาดรูปไม่ได้นะขอจะพูดซ้าอีกครั้งหนึ่งนะขอะพูดซ้าอีกครั้ ง, งได้ครับความความกลรธก็ตามแต่ความไม่พอใจความกลรธความด่าว่าพวกนี้นะแล้วก็ความหนีความที่ลวยลายนู้นหนีไปแล้วก็ความที่แบบนิ่งชนิดที่ว่ากลัวอยู่ข้างในเนี่ยไม่ทําอะไรแบบบื่มึนบื้อยังงี้นะนี่คือสิ่งที่เคลือบความกลัวอยู่ เคลือความกลัวอยู่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะเดินตามสินสมาริทีปัญญาทําให้คุณไม่สามารถเห็นตามที่เป็นจริงไม่สามารถที่จะตัดสินใจไม่สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้นะถ้าสามอย่างนี้เกิดขึ้นจะทําไม่ได้จะทําวิเคราะห์สถานการณ์ <c oughs> อะไรพวกนี้ไม่ได้พอคุณทําไม่ได้แล้วไอ้ความกลัวก็ยังอยู่ตัวนที่นั้นต่อไปเรื่อยๆนะไม่ได้หายไปสัทีครับนะเรากำจึงพูดถึงวิธีทางนะรีซอสหรือว่าทรัพยากรที่ทําให้คุณสู้กับความกลัวได้ พระเจ้าให้มาแล้วนั่นคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาาเรจริงๆผมผมมองว่าความกลัวก็มันอยู่ในใจเรานะครับมันไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ความกลัวอยู่ในใจเราครันี่พูดถึงเรื่องใจอย่างเดียวเลยนะตั้งแต่ตอนที่แล้วมานี่ใช่ครับไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งข้างนอกว่าทําให้เรากลัวผีกลัวอะไรไม่ได้พูดถึงเราพูดถึงในใจอย่างเดียวนะผีนี่ไม่ใช่กลัวตัวกลัวนะตัวกลัวอยู่ในใจของเราอยู่ในใจเรานะครับเอาทําไมต้องวันคุณไม่กลัว ใช่ครับผีมันไม่มีระดับกลางวันมันก็มีมีอ่ก็มันเซก็มีแต่ว่าตัวกมันอยู่ในใจของเราใช่ครับมันไม่ได้อยู่ที่เวลาไม่ได้อยู่ที่นอกนอกทีนี้พอใจเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ตามที่เป็นจริงแต่คุณจึงไม่มีความกล้าความกลัวก็ยังฝังอยู่ตรงนั้นต่อไปแล้วยิ่งเรามีมากเท่าไหร่ก็อย่างที่ผู้ข้าวท้่แล้วแต่ก็ยิ่งสร้างสมอสวายิ่งสร้างสมนิสัยในชีวิตที่จะไม่สามารถที่จะแก้ได้ยาง่ายยิ่งมันมันสันดาลมันขุดยากนะ ครับ <G l ug> ทีนี้ทํายังไงให้เรามีศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญา <G l ug> เป็นวิธีฐานที่จะทำให้เราสู้กับความกลัวได้ความกลัวได้อออพอเรามีศ<จ>ีล ส, สมาธิปัญญาเนีคือเรามีศีลใช่ไหมเรามีสมาธิเ<ป>นี่ยจิตเราตั้งมั่นเนี่ยเราก็ไม่ได้หนีไม่ได้ด่าว่าเราลอกเลเยอร์นั้นออกไปแล้วนะ<ช>พอเราลอกเลเยอร์นั้นออกไปเนี่ยเราจะเห็นเจ้าตัวความกลัวล่ะเราก็ใช้ปัญญาในการที่จะ เห็นตามที่เป็นจริงวิเคราะห์สถาการเห็นข้อควรระวังข้อเสียเห็นก็ดีความประโยชน์ของมันนะเราก็ทําให้ได้นั่นก็คือปัญญาเกิดขึ้นละพอเรามีสีสมาธิปัญญานี่พูดย่อๆนะก็พูดละเอียดอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่พอเราเห็นมีสีสมาธิปัญญางี้ปุ๊บความกล้าเราเกิดขึ้นนะพอเราเห็นมันตามที่เป็นจริงมีปัญญาเกิดขึ้นความกล้าเกิดขึ้นปุ๊บความกลัวหายไปนะนั่นทั้งทั้งนี้นั้นก็เพราะว่าสีสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นไปตัวขจัดความรักที่อยู่เป็นรากของความกลัวนั้น อครับเราก็จะสบายแล้วทีนี้ครัับอนไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าความรักเป็นแกนกลางที่จะอันนี้แบบฉันทะไรที่ครับความทุกข์ในชีวิมีฉันทาเป็นมุนรากครับจรคับมีเวทนาเป็นที่รวมลงอย่างกรณีของการก่อการร้ายหรือสงครามต่างๆก็กป็นเหตุการณ์นี้เดียวกันใช่ไหมครับกับความรักกามในความรักในกาม อืมครับอ่าถัดไปพระเจ้าพูดถึงเรื่องความกลัวอีกในสี่นัยยะด้วยกันครนะคือความกลัวต่อการตีเตียนตนด้วยตนนะสมมุติว่าถ้าเราทําทําความไม่ดีแล้วเราจะโอ้ยเธอทำความไม่ดีตัวฉันหนึ่งทําความไม่ดีนะตัวฉันเป็นพระฉันทําผิดศีลโอ้ยไม่ได้ฉันจะตีเตียนตัวเองได้อันนี้คือความกลัวอันที่หนึ่งครับหรือว่าเอ้ยฉันเป็นเป็นชาวพุทธนะชาวพุทธนี่คุณเป็นวันลกี่นาที นะคือหมายความว่าไอ้ออที่เป็นเนี่ยก็คือว่าทําดีถือตามสีหน้ากี่นาทีเท่านั้นนาทีไอ้ที่เดเราไม่ได้ทำโอ้ยถ้าเวลาอื่นจะไม่ได้ทํานี่ฉันจะติเตียนตัวเองได้ว่าฉันไม่ใช่ชาวพูดจริงๆรงอันนั้นฉันกลัวเอันนี้คือความกลัวข้อที่หนึ่งครับอืมกลัวต่อการติเตียนตนด้วยต น, ตนใช่ข้อที่สองอคือกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นนะผู้อื่นที่เป็นสับบุรุษก็จะติเตียนเราได้ว่าเราทําไม่ดีทำผิดศีลเราก็เลยกลัวอันนี้คือข้อที่สอง อข้อที่สามนี่คือกลัวต่อการลงอัดยากลัวต่อการลงอัดยาคือถูกทําโทษถูกทํำร้ายถูกลงโทษโดยรัฐบาลหรือว่าถูกจับขังพวกนี้จึงกลัวจึงไม่ทําความผิดครับอันนี้ก็กลัวต่อการถูกปรับอย่างเงี้ยอย่างคนไม่กล้าที่จะเอาของหนีภาษีเข้ามาอนั่นก็เพราะว่ากลัวต่อเขาถูกปรับถูกปรับอันหนักก็เลยไม่ทำมันเป็นความชั่วก็เลยไม่ทําอันนี้ก็เป็นความกลัวอย่างที่สาม หรือว่ากลัวการลงอัดใช่กลัวอย่างที่สี่ในกลัวยที่สี่คือการกลัวต่อนรกกาเนิดเดชานปรตวิสัยกลัวต่ออบายออกลัวอย่างที่สี่นี่ก็ทําให้เราละความช่วยได้เหมือนกันหลายๆคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือกลัวตกนรกเขก็ไปงั้นกลัวตกนรกก็เลยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ก็มีความกลัวอย่างที่ี่ก็ถูกต้องถูกต้องถูกอยู่ถูกอยู่ก็เป็นไปได้นะเป็นความกลัวอย่างที่สี่ อย่างข้อสี่กลัวต่ออับายภูมิเทียบกับฮิริโอตปะอย่างนี้ใกลเทียบเคียงกันได้ไหมครับนี่คือสี่อย่างนี้เลยไงอ๋อรวมรวมสเลยลายความกลัวใช่ไหมโอตปะคือความกลัวตบบาบเนี่ยครับก็คือคือแยกได้เป็นสี่อย่างนี้ครับกลัวตบบาบแต่การที่ติดตนตัวเองตนด้วยตนกลัวตบบาบจากการที่ติดตนจากผู้อื่นกลัวตบบาบจากการที่ตรงอาญาแล้วก็กลัวตบบาบจากการที่ต้องไปนรกกาเนดเดชะชันปรตวิสัย เนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงอตปกกักขยายความให้กว้างออกไปนันก็เป็นความกลัวในสี่ลักษณะนี้ที่เป็นพุทธวจนะ น, นะครับอตบกครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความกลัวเราก็ได้พูดถึง เ, เต็มที่ละคิดว่าจบครบถ้วนกระบวนวามในเรื่องความกลัวครับ เ, เรียกว่ า, ว า, าลึกซึ้งกว่าที่นักจิตวิทยาได้ บันทึกไว้หรือว่าได้มีทฤษฎีต่างๆนะครับอันนี้ก็พูดเจ้าลึกกว่าเอาอยอะเลยของพูดจ้ากินตัวไวครับถัดมาจะพูดถึงเรื่องของการพูดเพือเชอิดนิดหนึ่งครับคือ<ด>คนคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ยังวัยรุ่นขนองยังเกียวตัวเองยังอยูอย่ในวัยเด็กอยู่วัยรุ่นอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในปฐมวัยเนี่ยมักจะมีการพูดจาขอนองปากพูดแบบว่า เพิร no? uh ์เจอร์วังกันเดอรเนาะคือ <Okay. S 1> ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ว่าเราได้เคยพูดไปในรายการว่ า, เ, าเวลาพูดมุกตลกอย่างเงี้ย <Okay. S 1> มุกตลกเนี่ยไม่เพิร์เจอร์ก็มีนะ hmm. เช่นพูดเรื่องเปิลเปของตัวเองเอาความชั่วของตัวเองมาแชร์อย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะว่าพูดตลกตลกแต่ว่าไม่ได้เพิร์เจอร์นี่นะมีอยู่แต <Okay. S 1> ่ทีนี้ถ้าเราเริ่มรู้สึกตัวไอ้ฉันพูดเพิร์เจอร์หรือเปล่าไอ้ฉันพูดโกหกหรือเปล่า ตรงนี้คือเรื่องที่จะเพิ่มเติมในวันนี้ว่าอถ้าเรารู้สึกว่าเราพูดเพ้อเจ้าเราพูดคําหยาดพูดส่อเสียดเนี่ยแสดงว่าคุณพูดมากเกินไปแล้วพระเจ้าเคยพูดถึงโทษของการพูดมากมีห้าอย่างคือพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้าพูดโกหกไปนรกห้าอย่างนี้จะเป็นโทษของการพูดมากเถ้าเราถ้าเราเริ่มพูดโกหกแสดงว่าเราเริ่มพูดมากแล้วมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนคําไง ในขณะเดียวกันนักพุทธชาพูดถึงอันนี้ส่งของการพูดพอประมาณอันนี้ส่งของการพูดพอประมาณก็คือจะไม่พูดโกหกจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดเพอเจอร์แล้วก็จะไม่ไปอบายแสดงว่าถ้าเรายังพูดโกหกยังพูดคำหยาบพูดเพอเจอร์โดยเฉพาะเรื่องพูดเพอเจอร์เนี่ยนะถ้าคุณยังพูดเพอเจอร์อยู่แสดงคุณพูดมากเกินไปแล้วให้รู้ไว้เลยให้พูดน้อยลงพอเราพูดน้อยๆลงไอ้คาที่หลุดออกมาจากปากเราเนี่ยจะเป็นแต่เรื่องที่ต้องมีสาระละ ครับเพราะฉนั้นตรงนี้จะเป็นการวัดว่าคุณพูดมากหรือพูดน้อยเนี่ยมันไม่ได้นับวัดที่จํานวนคําของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันด้วยอืใช่ครับถ้าถ้าคําพูดที่เราพูดออกไปมันเริ่มมันเริ่มที่จะกระเทือนจิตคนอื่นเริ่มที่จะทําให้จิตของเขาหลุดออกจากสมาธิเป็นคําพูดเบียดเบียนเป็นคําพูดที่กระทบกระเทียบเบียดเบีย น, นทําให้ผู้ฟังเกิดห่างออกจากสมาธิอาจจะเป็นการใช้ภาษาที่ ส, สัตย์สุเป็นการบทเขียนที่ดี แ ต, แต่ถ้ามันกระตื้นจิตคนอื่นแล้วทําให้จิตเขาไม่เป็นสมาธิเนี่ยก็ชื่อว่าเข้าข่ายพูดคําหยาบนะแสดงคำพูดตรงนั้นหรือข้อเขียนตรงนั้นเนี่ยเริ่มมากเกินไปละมากเกินไปละครับ ม, ม, มากหรือน้อยก็วัดกันตรงนี้ได้อ๋อวันกันที่ออืเข้าใจงรับวันกันที่สี่อย่างห้าอย่างเนี่ยนะสอย่างสี่อย่างที่เห็นได้ในปัจจุบัน อ, อันนี้คือเรื่องของการพูดเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างกรณีของที่ท่านภัยบูลพูด เพื่อที่จะแสดงธรรมในเวลา 30- มสถึงสีนาทีอันนี้ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่เป็นการพูดพูดมากเกินไปนะ ไ, ไม่มากนะครับบางทีถ้าถ้ามันมันเขาเรียกว่าไงพูดผิดพู ด, พดไม่มีที่ตั้งอ้างอิงอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มที่จะเลิกพูด ม, มากไปละหาเรื่องสรรหามาพูดโดยที่ไม่ได้คิดก่อนอย่างเงี้ยนะคิดว่ามีหลายๆส่วนอยู่พอฟังย้อนหลังย้อนหลังไปเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ต้องมาตามแก้กันนิดนินหน่อยอยู่ ประการที่นอกเหนือจากเรื่องความกลัวนอกเหนือจากเรื่องการพูดนิดหน่อยตรงนี้แล้วก็ยังพูดถึงต้องการพูดถึงเรื่องของเราอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยหมอรัชพงศมันเป็นสถานที่ที่วนไปวนมารเราจะขึ้นก็เพราะบุญเราจะลงก็เพราะบาปนะมันเป็นอย่างนั้น บ, บาปบุญมันมีอยู่บางทีมันยังไม่ให้ผลมันเก็บอยู่นะมันก็จะยังขึ้นหรื อ, อยังลงก็เป็นไปตามเทรนในตอนนั้น عم, ă, ซ, ซึ่งซึ่งตรงนี้คนที่อยู่ในสังสารวัฏอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสังสารวัฏอยู่เนี่ยต้องการบุญแน่นอนคุณถึงจะอยู่ในสังสารวัฏได้ใช่ครับแน่นอนพบที่ดีใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรายังต้องการบุญนะพอเราเจอเนื้อนาบุญเราต้องรีบทําบุญออถ้าเราต้องการบุญเราเจอเนื้อนาบุญเราต้องรีบทําบุญเพราะเรายังอยู่ในสังสารวัฏนะถ้าคุณยังอยู่ในสังสารวัฏคุณต้องการบุญ ถ้าคุณต้องการบุญคุณเจอหน้าเนื้อนาบุญคุณต้องรีบทําบุญเหมือนชาวนาเจอข้าวที่นาข้าวที่ดีนะแปลงดีต้องรีบหว่านข้าวเลยต้องอ๋อรีบทำนาอ่ารีบทำนาตรงนั้นเลยเพราะว่าต้องการเข้าเปลือกผลที่ดีใช่ครับนักธุรกิจเนี่ยเห็นหุ้นที่รู้ว่ามันจะขึ้นต้องซื้อไว้เลยอืหุ้นดีนะที่ราคาตกลงมาใช่นักธุรกิจเห็นช่องทางทางธุรกิจคุณรีบลงทุนเลยเพราะว่าคุณต้องการเงิน ใช่ไหมครับต้องการความสําเร็จในเรื่องตรงนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการบุญเราเห็นเนื้อนาบุญคุณรีบทําเลยครับเนื้อนาบุญคุณรีบทําเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพูดถึงเนื้อนาบุญคือสงในสาวกของพระผู้มีพรภาคใช่ไหมครับบุญนี่คืออะไรครับบุญก็คือให้ทานก็เป็นบุญได้ใช่ครับหรือว่าสอบถามเรื่องเกี่ยวกับศีลเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นบุญได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเนื้อนาบุญเนี่ยบุญให้ทําอย่างนี้นะเวลา อันนี้คืออาตมาจะแนะนำนะว่าอย่างเวลาเราไปหาพระสงค์หรือว่าหาเนื้อนาบุญอย่างเงี้ยเราเนื้อนาบุญนี่ยั ง, ยงรวมถึงมานาบิดาด้วยนะมนานาปิดา<อ>ที่เป็นพรมของบุตรเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอย่างเงี้ยเราจะหน้าพ่อแม่เราต้องเอาควักเงินใะห้ด้วยการ ใ, ให้ด้วยการที่หาอะไรมาให้ซื้ออะไรมาฝากนะไปหาบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญคุณก็หาอะไรไปให้ซื้ออะไรไปฝากอย่างเงี้ยจะเป็นประจักษ์ศีลควรสมณะจบริโภคหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เครืของอะไรก็ ตามที่ตามที่เราทําได้อะนะนิดๆหน่อยๆอย่างขอให้มีเพราะอะไรเพราะเราต้องการบุญนะสมมติถ้าคุณจะถวายปัจจัยแล้วก็เอามีผู้รับแทนไหมหมายถึงว่ามีวัทยุจักรทํางานแทนให้ไหมนะเพรารับแทนก็ไม่ได้ใช่ไหมเอามากก็มีสิบบาทยีบาทร้อยหนึ่งส0งร้อยพันหนึ่งแล้วแต่ที่ว่าเราเราจะทําได้นี่คือนี่คือคืออจะมาพูดเพราะว่าเป็นเป็นเป็นพุทธวจนะที่พระเจ้าบอกว่าถ้าคุณยังต้องการบุญเนี่ยคุณเห็นเนื้อดาบุญคุณต้องรีบทำ ร พ, พูดถึงพูดถึงตัวพระองค์เองนะตอนที่เป็นเป็นโพิสัต์อยู่เนี่ยเห็นพระประเจกิญพรุชามาไม่มีอะไรจะให้เลยในสถานการณ์ตอนนั้นก็ไม่ควรที่จะถามคำถามเพราะมันเดินทางอยู่แล้วก็ร้อนก็ร้อนในะเห็นพระประเจกพรุชาขึ้นเรือสวนมาอย่างเงี้ยตัวเองอยู่ที่ท่ากำลังรอลงเรือไป เพระเาะฉะนนจะสร้างบุญด้วยการถามคำถามไม่ได้แน่เลยจะเอาอะไรดีเอางี้เอาร่มตัวเองมีร่มแล้วก็เอารองเท้าของตัวเองเนี่ยถอดมาแล้วก็เช็ดให้ดีแล้วก็ถวายปัะเจกพุทธิจ้านั้นไปนะถวายร่มและรองเทา้านะตอนที่ถวายเนี่ยก็มีใจคิดว่าโอ้ยฉันต้องการบุญนะเนี่ยเจอสมณะผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญขนาด น, นี้น <า S 1> แล้ว<น>จะไม่ให้เนี่ยมันไม่ถูกนะเวลาเราถามคำถามก็มีเอางี้ล้กันเรามีอะไรเราให้ยก็เลยเป็นบุญที่ทําให้ท่าน พอทิสัตย์ในชาตินั้นเนี่ยผู้เจ้าของเราเนี่ยได้บุญหมาหาศาลไปเกิดเป็นเทวดาอยู่นานมากนะเล่าให้ฟังอตอนที่เป็นโพอิสัตย์อยู่อันนี้จึงเป็นเหตุให้อัตมามาเล่าให้ฟังนะว่าเออเราอยู่ในสังสารวัฏเราต้องการบุญนะรเราก็ทําำทําด้วยการถามปัญหาก็ได้ทําด้วยการให้ทานก็ได้น้อยก็ได้มากก็ได้ก็ตามตามแต่ที่เรามีตามกําลางัง แ, แต่ทุกครั้งถ้าเราเจอเราต้องทํามันจ ะ, จะเป็นนิสัยประใจอะนะ มันมากน้อยไม่เป็นไรจะไม่จับทุกปีเงินน้อยก็คาน้อยหรือาอาจจะช่วยด้วยแรงงานการช่วยเหลือต่างๆครับคือบางคนไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็ไปกราบเฉยๆยิ้มๆแล้วก็อ่าเพนนะทํามคถามนิดหนักยแล้วก็เพลว่ามันมันถ้าคุณต้องการบุญหรือเปล่างั้นคุณทําให้ให้ครบแกล่ันคือแนะนํานะถามคำถามบ้างนะให้ทานบ้างอย่างเงี้ยนีิดหน่อยก็ขอให้มีก็จะทําให้เราแม่มันมัน มันมันดีต่อตัวเราเองอนะอืมครับสะสมบุญใช่ใ่ันี้คือเรื่องประเด็นนี้อทีนี้เกณฑ์ของเนืน้าบุญรู้สึกเราจะเคยพูดกันไปเร้่เหมือนกันรเจาาพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาครับถ้าบุคคลใดมีศีลสมาธิปัญญาน้อยนะก็ชื่อว่าเป็นเนื้อน้าบุญที่ไม่ดีครับถ้ามีศีลสมาธิปัญญามากนะก็มีเนื้อหน้บุญที่ดีมากนะก็ไล่ออกเลยนั่นตั้งแต่สัตวเรชานนี่ศีลสมาธิปัญญาก็ไม่มีเป็นคนหลง ไล่มาจนหนึ่งคนทุศีนศีลไม่มีคนมีศีลศีนมีเรามีศีนล้นะอ่าวพระมีศีนมีศีนมากขึ้นพระที่เป็นอริยะบุคคลขั้นที่หนึ่งมีศีนสมบูรณ์แต่สมาธิปัญญายังไม่สมบูรณ์นนั้พูดถึงนาคามีมีศีนสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์แต่ปัญญายังไม่สมบูรณ์พูดถึงพระอรหันต์มีศีนสมาธิสมบูรณ์แต่ยังไม่มากสมบูรณ์อยู่แต่ไม่เต็มเข้าไปสมบูรณ์อยู่แต่สมบูรณ์ด้วยบริบูรณ์ด้วยแต่ยังไม่มากเท่ากับอสิติมหาสาวก80รูป อย่างเงี้ยอสิที่มาสาวกสักปสิบรูปมีสีลเต็มอยู่นะบริบูรณ์ด้วยเต็มด้วยสมบูรณ์ด้วยแต่ว่าไม่มากเท่าของพระเจ้าของพรชเจาก็ยังมีมากอยู่ไล่ไปของปัเจกพระจ้าของพระเจ้าก็ทําให้เป็นเนื้อหนาบุญที่มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนี้ก็นิดนิดหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ด้วยว่าพรชาเปรียบเทียบอย่างนี้ข้าวเมล็ดหนึ่งที่เราหว่านลงไปในนาข้าวเนี่ยนะครับมันจะโตขึ้นมาเป็นต้นข้าว แต่มันไม่ได้โตขึ้นมันจะออกมาเป็น1กอ1กอเนี่ยจะมีหลายต้นนะในหลายในแต่ละต้นเนี่ยจะมีหลายรวงในแต่ละรวงเนี่ยจะมีหลายเมล็ดนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะหเมล็ดที่เราหว่านลงไปในนาข้าวเนี่ยนะจะออกมาเนี่ยจะมี1กอใน1กอนั้นเนี่ยจะมีหลายต้นในแต่ละต้นจะมีหลายรวงในแต่ละรวงจะมีหลายเมล็ดทีนี้เนื้อนาบุญที่ไม่ดีนะคุณหว่านลงไปอาจจะไม่โตเลย <น>จํานวนจํานวนกอจํานวนกต้นในกอนั้นก็จะน้อยหรือถ้ามีมีจำนวนต้นในกออยู่ก็จะมีรวงน้อยหรือถ้ามีรวงที่ไอ้ที่ทรวงน้อยก็จะมีเมล็ดข้าวน้อยด้วยเมล็ดข้าวที่น้อยในเมล็ดข้าวเนี่ยเนื้อข้าวเนี่ยที่อยู่ในเมล็ดเนี่ยก็จะเป็นฟรรีบบ้างเมล็ดที่ไม่ได้มีข้าวเต็มบ้างนี่คือลักษณะของเนื้อหน้าบุญที่ไม่ดีในขณะที่เนื้อหน้าบุญดีหนึ่งเมล็ดที่หย่นลงไป นะอาจจะได้มากกว่าหนึ่งกอในกอหนึ่งมีหลายต้นหลายต้นนี่ก็มีหลายรวงในแต่ละต้นมีหลายรวงในรวงก็มีหลายเมล็ดเมล็ดก็มีเมล็ดเต็มด้วยเมล็ดใหญ่ด้วยเนี่ยก็คือ ค, ความที่มีเนื้อนาบุญมากอเมล<ะ>็มดเดียวลงไปเท่ากันนะหมะรลงพ์ใช่ครับาเมล็ดเดียวลงไปเท่ากันเปรียบเท็บเท่ากันซึ่งหมรละพงพูดตะเกี้เนี่ยว่าเราไปหาปุ๊บเนี่ยเราให้เราให้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันต้องไปโดนสักคนหนึ่งที่ว่าเป็นเนื้อนาบุญให้พ่อให้แม่บ้าง ให้คนทั่วไปที่อาจจะเป็นสงสารพวกของพระผู้มีภาคที่เป็นอริยบุคคลก็อาจจะมีอย่างเงี้ยครับมันก็ดีแต่เราตลอดแหละครับเพราะว่าในความเป็นจริงถ้าเราไม่รู้จักภูมิหลังของพระองค์นั้นเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเหมือนกับเออจะไปถามท่านทว่าองคงไม่ตอบใช่ไหมครับพลานอกก็ต้องทำไว้ก่อนให้เป็นนิสัยบางคนก็นิดหน่อยก็ขอให้มี ครับแล้วจริงช่วงนี้เป็นช่วงของอาสนะข้าวันศาก็เป็นช่วงที่พระภิกษุต่างๆเนี่ยจำวัดอยู่ในอาวาสใช่ไหมครับใช่ครับเราเป็นไม่รู้จักพระมีแบบพระขาจอนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะให้ทานแล้วก็เอ๊ะแล้วเราถามท่านก็ไม่ได้คือท่านก็ตอบไม่ได้ว่าท่านเป็นระดับไหนคือคือไ ม, ไม่ไม่ไม่สมควรใช่ไหมครับ เราก็เหมือนถึงวัดไม่คุ้นเคยกันนะใช่หวานไปก่อนน้อยก็น้อยค่อยมีก็ไม่เป็นไรถ้าเรายังไม่คุ้นเคยอาจจะให้น้อยให้มากก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ของเราแล้วแต่การจัดสรรงิประมาณตรงนั้นใช่ไหมแต่อย่างน้อยให้น้อยเนี่ยมันก็ได้ผลมากให้แล้วก็ได้ผลมากนะถ้าท่านเป็นเนื้อหน้าบุญจริงๆครับนะซึ่งตรงนี้ นี่คือเราพูดถึงการสร้างสร้างทานนะไอ้การสร้างบุญด้วยการให้ทานการสร้างบุญด้วยการรักษาศีลการสร้างบุญด้วยการเจริญภาวานานะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสมณะเนี่ยรับทานได้นะทักษิณาทานคุลแก่สมณะรับได้นะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติได้ี่จะเป็น บ, บุญที่เกิดกับจิตของเราอืในสองลักษณะนี้อ๋ออยังคําถาม อย่างนี้การอย่างสั่งถามนี้ก็เป็นบุญใช่ไหมครับโอใช่สินี่คือที่อาจมาพูดถึงสร้างบุญสร้างบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าถวายทานอย่างเดียวนะครับผมเราพูดถึงเรื่องการสอบถามคําถามด้วยเนี่ยเชื้อเชิญให้เข้าบ้านด้วยนี่ก็เป็นบุญนะให้อัศนะนั่งก็เป็นบุญนะปฏิบัติรับใช้นะไม่ได้มีอะไรให้แต่ปฏิบัติรับใช้อันนี้ก็เป็นบุญเนี่ยเป็นบุญทั้งนั้นเลยถ้าเราเจอเนื้อหาบุญเราให้ทําโำสร้างบุญ เพราะฉะนั้นต้องกาหนดบทพิจารณาตรงนี้ให้ถูกว่าไม่ใช่ว่าให้ทานหรือว่าอมาขอให้ให้ทานอย่างเดียวไม่ใช่นะแต่ว่าบริการอย่างพวกนี้ก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นกับกเดาได้ครับครับอันนี้มีประสบการณ์ตรงเรื่องของคือลูกน้องผมเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้มีเงินทองมากเขาก็บอกว่าเหมือนกับสมมติเราเราทําบุญพันหนึ่งแล้วเขาทําแค่ยี่สิบาทสมมติอย่างนี้ครับเขารู้สึกว่าเขาว่าเขาจะพูดออกมาว่าเขาว่ามีเงินน้อยทําบุญได้น้อย แต่ผมก็ตอบกลับไปเหมือนเหมือนที่ได้รับความรู้จากท่านนะครับบอกว่าจํานวนมากน้อยมันไม่ได้เป็นอันิสงสมันอยู่ที่ว่าจิตจิตของเด็กคนนั้นเนี่ยบริสุทธิ์ทางฝั่งผู้ให้เนี่ยบริสุทธิ์ที่จะให้หรือเปล่าคือ<ช>อย่างเงี้ยแล้วก็ฝั่งผู้รับด้วยพอพอได้ใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องครัแล้วคือถ้าเราไปคิดว่าเอ้ยฉันให้น้อยนี่คือคื อ, ค, อคือทานคุณไม่บริสุทธิ์ละครับเพราะว่า ค, คุณรู้สึก น้อยนิดต่ำใจในความที่เราให้ใบนั่น แ, <ล>แสงว่าไม่ไม่ไม่ไมไมคือเรียกว่าศรัทธาหลังจากให้แล้วเนี่ยไม่มีน้อยกว่าตอนที่กวักให้ครับทีนี้ก็พูดถึงเรื่องทานที่มีคำถามมาจากครูแมมที่ว่าทานที่เป็นการปรุงแต่งจิตเนี่ยนะมีลักษณะอย่างไรปรุงแต่งจิตก็ว่างนี้เลยพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าไม่ไงครับอะไรสังขารเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดอะไรหมอรัตนพ วิญญาณนั่นแหละสังขารคือการปรุงแต่งเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณคือการรับรู้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรารับรู้ว่าเราให้ทานก็แค่นั่นเองจบโอไม่เกี่ยวกับรูปแบบไม่อยู่ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรคือนี่พูดถึงย้อนกลับไปตอนนู้นที่เราพูดถึงไล่ไล่กันมานะว่าการให้ทานแล้วอันนี้สงในภพต่อต่อไปเนี่ยที่ทําให้ไปเกิดตั้งแต่สวรรค์ชั้นจตุมาราชิกาจนกระทั่งถึง ดีมารณีปานนมิตรสวัสดีเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเป็นชั้นพรมเนี่ยจนทั่งสูงที่สุดเนี่ยคือชั้นพรมเนี่ยโดยอาศัยเหตุปัจจัยที่ว่าคุณให้ด้วยความที่ทานเนี่ยเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตก็คือให้เฉยๆก็คืออย่างที่เราพูดภาษาศักแต่ว่าให้นั่นคือเรารู้ว่าเราว่าให้แค่นั้นเองครับอ mm ื hmm. ไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องการอะไรกลับ ไม่ได้คิดว่าใครทําอะไรมาไม่ได้คิดว่าคนนี้ก็ทํากับข้าวได้หรือไม่ไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องเป็นยังไงต่อไปแต่แค่ให้แบบว่าด้วยคําว่าแค่รู้เฉยๆรู้ว่าเราให้เฉยๆเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่แล้ที่พูดว่าเออสักแต่ว่าให้ให้ให้ไปมันก็ยังกําหนดบทพิจาราไม่ถูกทีนี้พอเรามาดูที่ปฏิจจสมุบาทที่พุทธเจ้าบอกว่าสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณใช่ไหมวิญญาณครัเพราะฉะนั้นวิญญาณคือการรับรู้ โอ้พูดอย่างนี้น่าจะเข้าท่ากว่าก็คือว่าให้ก็รู้ว่าให้เฉยๆจบอืมคือครับถ้าเป็นคําพูดบ้านๆเหมือนเต็มใจให้อย่างนี้ได้ไหมครับเต็มใจให้อ่าเต็มใจให้แล้วก็ไม่ได้หวังอะไรนะให้ก็ให้เฉยๆอ่าครับไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทางกายและแตใจทางใจอไม่ได้คิดด้วยว่าการให้ทําเป็นการดีก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นด้วยครับอืมให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ให้นะก็รู้ว่าให้เฉยๆก็ถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์นะมันก็บริสุทธิ์มาเรื่อยๆแลนะนะเพราะว่าอันนี้ส่มันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติคุณให้ทานเนี่ยโอ้ยคุณบริสุทธิ์แล้วคือหมายว่าคุณดีแล้วนั่นดีกว่าคนตระหนี่ไว้แต่ให้ทานแล้วยังมีจิตตระหนี่ที่ว่าโอ้ยฉันขอให้ได้เงินได้ทองให้ถูกหวยให้รวยให้เลื่อนตําแหน่งอย่างเงี้ยอันนี้คือขั้นที่หนึ่งเลยที่ว่าร บ, บริสุทธิ์แต่ไม่บริสุทธิ์มากเท่าไหร่บริสุทธิ์อยู่แต่ก็ยังน้อยกว่าอันอื่นๆ ยังต้องการอามิสใช่ที่เรารพูดถึงอความที่ว่าประรัเหตุอะไรในการให้อ่นะครับที่เมื่อก่นตอนก่อนโนู้ที่มรดงพูดถึงประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากเลยที่ว่าความบริสุทธิ์ของทานนั้นครับอ่าว่าว่าทานเนี่ยคุณละออกนี่ดีแล้วบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าจิตเรายังมีความตระณีคือจิตเนี่ยมันไม่ตระณีในของที่เราให้แน่พเพราะเราออกไปแล้วใช่ไหมแต่เรายังตระนีในของที่ยังมาเรายังไม่ได้ นั่นคือฐานที่เราจะสิ่งที่เราจะได้มากขึ้นเงินทองที่เราจะได้เราก็ไปตระหนีตรงนั้นอย่างเงี้ยมันก็เลยได้ไม่เต็มร้อย อ, อ๋อครับอ่าในขณะเดียวกันพอเราละตรงนี้ได้เราไม่ตรีหนีสิ่งนี้แล้วนั้นเราไปคิดเรื่องอื่นมันก็จิตมันก็เลยอยังมีวิตกวิจารณมีอะไรพวกนี้อยู่มันก็ยังไม่บริสุทธิ์เท่ากับความที่ไม่มีครับเข้าใจไหมจนกระท<า>รั่งสุดท้ายเลยที่ว่าเออให้ก็ให้เฉยๆให้เพียงแค่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะให้ก็รู้ว่าให้แล้วก็ ที่หมอรัตพงบอกว่าอะไรนะเต็มใจให้เต็มใจให้เฉยๆนะันก็คือจบเลยก็คือไม่ได้มีความคิดอะไรต่อไม่ได้มีวิตกวิจารณ์ต่อไม่ได้มีปีติสุขต่อคือจบเลยนันก็คือจะอันนี้สงนี่คือพูดถึงในภพต่อๆไปนะที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ครับจิตเราเป็นอย่างนี้ก็คือบริสุทธิ์มากขึ้นบริสุทธิ์มากที่สุดนะอืมครับลักษณะนี้เข้าใจเลยครับ ในวันนี้เราก็ได้พูดเรื่องอะไรไปบ้างเรื่องของความกล้าความกล้ากับความกลัวนะที่วิธีในการที่จะละความกลัวเพิ่มเติมในแง่มุมของความกล้าเรื่องมือในการเผชิญความกลัวเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการพูดนิดหน่อยว่าวิธีการวัดการพูดมากพูดน้อยเราก็ได้พูดถึงการถ้าคุณอยู่ในสังสรวัตคุณต้องการบุญเจอเนื้อนามบุญคุณต้องสร้างบุญ ในการให้ทานก็ตามด้วยการบริการก็ตามด้วยการที่จะถามคําถามก็ตามแล้วเราก็มาพูดถึงการให้ทานตรงนี้จบด้ตรงนี้เนาะตามคําถามของครูแมมครับเพราะในวันนี้เราก็พูดเรื่องเท่านี้แหละนะหมอฤพงศ์นะแล้วค่อยพบกันในตอนต่อไปครับกราบแล้วกลับแล้วสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิพุนโวครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ